สิขาบทที่6ว่าได้การบ่นว่าภายหลังเรื่องภิกษุณีจันทากาลี 1,146 สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอรางของอนาถาบินธิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุณีจันทากาลีเข้าไปหาภิกษุณีสง์ขอวุถาปาะนะสมมุติลำดับนั้นภิกษุณีสง กำหนดพิจารณาเธอในขณะนั้นแล้วไม่ยอมให้วุถาปะนะสมมุติด้วยกล่าวว่าแม่เจ้าเธออย่าบวชให้กุลธิดาเลยภิกษุณีจันทกะลีครับคำของสงครั้นต่อมาภิกษุณีสงให้วุฒาปะนะส ม, มุติแก่ภิกษุณีเหล่าอื่นภิกษุณีจันทากาลีจึงตําหนิประนามโพนธนาว่าดิฉันเท่านั้นเป็นคนเขา่าดิฉันเท่านั้นไม่มีความละอายที่ทําให้ทสงให้ วุฒิภพนสมมติแก่ภิกษุณีเหล่าอื่นไม่ให้แก่ดิฉันเท่านั้นบรรดาภิกษุณีผู้มากน้อยพากันตำหนิประนามโพนธนาว่าฉนัยแม่เจ้าจันทากาลีอันสงกล่าวอยู่ว่าแม่เจ้าเธออย่าบวชให้กุลธิดาเลยรับครันาแล้วภายหลังกลับบนว่าเล่าครั้นแล้วภิกษุเหล่านั้นได้นําเรื่องนี้ไปบอกภิกษุทั้งหลายให้ทราบพวกภิกษุได้นําเรื่องนี้